ตรงกับวันพุธที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้รายการของเรานำเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนฟังกันนะคะสำหรับเรื่องแรกที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องของการใช้คำว่า do กับคำว่า make นั่นเองค่ะ do do และ make นะคะ m a k e ทั้งสองคำนี้เป็นคำกริยาหรือ verb ที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะสับสนกันอยู่บ้างนะคะเพราะว่าทั้งสองคำนี้ให้ความหมายแบบเดียวกันค่ะก็คือมีความหมายว่าทำนั่นเองค่ะ do แปลว่าทำ make ก็แปลว่าทำเช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้ง do และ make นะคะจะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันค่ะเดี๋ยวเราลองมาติดตามรับฟังกันดูนะคะค่ะเมื่อไรที่เราต้องใช้นะคะ do นะคะ การใช้ดูนะคะเมื่อเราเนี่ยพูดถึงงานนะคะหรือภารกิจที่ต้องทำค่ะข้อควรจำเลยนะคะแต่การใช้ดูเนี่ยจะต้องไม่ใช้กับการผลิตอะไรที่เป็นชิ้นขึ้นมานะคะเราไปดูประโยคตัวอย่างค่ะ have you done your homework have you done your homework นะคะประโยคนี้นะคะเราจะใช้ดูเป็น verb ช่องที่สามนะคะก็คือใช้คู่กับ have had นะคะซึ่งเป็น present perfect นะคะ have you done your homework นะคะเธอทำการบ้านหรื อ, อยัาง ตตัวออย่่าางตอมานะคะค I have guests visiting tonight. So I should start doing the housework now. อีกหนนึ่งงคครั้งนะคะ I have guests visiting tonight. So I should start doing the housework now. ประโยคนี้นะคะมีความหมายว่า ฉันเนี่ยมีแขกมาเยี่ยมคืนนี้นะคะ Have guests guests ก็คือแขกนั่นเองค่ะมาเยี่ยม tonight คืนนี้ดังนั้นนะคะ、so、I should start doing นะคะดังนั้นฉันควรที่จะทำความสะอาดบ้านเดี๋ยวนี้เลยสำหรับประโยคนี้นะคะการทำความสะอาดบ้านเนี่ยเราก็จะใช้กับ verb do นั่นเองค่ะก็จะเป็น do the housework นะคะแปลว่าทำความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะ ค่ะประโยคที่น่าสนใจต่อมานะคะ I wouldn't like to do that job I wouldn't like to do that job นะคะฉันเนี่ยไม่ต้องการที่จะทำงานนั้นนะคะประโยคนี้ก็คือใช้ do นะคะกับคำว่า job นะคะค่ะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าทุกตัวอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของงานนะคะหรือว่าเป็นภารกิจที่ต้องทำนั่นเองคะ่ะซึ่ง ไม่ได้เป็นการผลิตอะไรขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอัด น, นั่นเองนะคะดังนั้นดูเนี่ยก็จะใช้พูดถึงงานหรือว่าภารกิจที่ต้องทำนั่นเองค่ะค่ะจากนั้นนะคะใช้เมื่อเราเนี่ยพูดถึงกิจกรรมที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะดูเนี่ยจะใช้เมื่อพูดถึงกิจกรรมที่กิจกรรมที่เราเนี่ยไม่เฉพาะเจาะจง ะะโดยปกตินิยมนะคะเราจะใช้คู่กับคำว่าสิ่งนะคะหรือคำว่า something หรือคำว่า not thing anything หรือ everything นะคะส่วนใหญ่จะใช้กับคำพวกนี้ค่ะดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้นะคะ hurry up I have got things to do อีกหนึ่งครั้งนะคะ hurry up I've got things to do นะคะประโยคนี้ก็คือรีบๆหน่อย เรามีสิ่งที่ต้องทำนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะมีการใช้ things นะคะคู่กับ do นั่นเองค่ะ things to do ก็คือสิ่งที่ต้องทำนั่นเองค่ะค่ะหรือประโยคตัวอย่างอีกหนึ่งประโยคเลยคะ่ะ don't just stand there do something นะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะ don't just stand there do something ความหมายก็คืออย่ายืนอยู่เฉยๆตรงนั้นสิ Do something คือก็ทำอะไรบ้างสินะครับเพราะฉะนันเราใช้ do นะคะกับ something ค่ะค่ะต่อมาจะเป็นการใช้ do นะคะกับ anything นะคะพูดถึงกิจกรรมที่ไม่เฉพาะจ่อจ้องนะคะเป็นรูปแบบคำถามค่ะ Is there anything I can do to help you? อีกหนึ่งครั้งนะคะ Is there anything I can do to help you? แปล่าว่ามีอะไรที่ฉันสามารถช่วยคุณได้หรือไหมคะค่ะ ต่อมานะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้นะคะคำว่า do นะคะแทนกริยาที่มีความหมายชัดเจนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะเป็นรูปแบบคำถามนะคะ do I need to do my hairdo I need to do my hair ดูตรงนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการกระทำคือหวีผมนะคะ ประโยคคำถามนี้รวมๆก็จะแปลาว่าฉันเนี่ยจำเป็นต้องหวีผมไหมค่ะประโยคต่อมานะคะ Have you done the dishes yet? Have you done the dishes? นะคะใช้ verb to do นี่เปลี่ยนเป็น verb ช่องสามกลายเป็น done นะคะในที่นี้คำว่า done ที่นี่แปลว่าล้างนะคะความหมายท่านประโยคก็คือคุณเนี่ยล้างจานหรือยังค่ะค่ะตัวอย่างประโยคต่อมาค่ะ จะเป็นเรื่องของการใช้ดูนะคะแทนที่กริยาที่มีความหมายชัดเจนนะคะสำหรับดูบริบทนี้เราจะให้ความหมายว่าทำความสะอาดค่ะตัวอย่างประโยกก็คือ I will do the kitchen if you do the lawns อีกหนึ่งครั้งนะคะ I will do the kitchen if you do the lawns ประโยคนี้ก็คือฉันเนี่ยจะทำความสะอาดครัวเองถ้าเธอทำความสะอาดระเบียงนั่นเองค่ะ ตรงนี้ก็จะให้ความหมายของคำว่าดูนะคะที่แปลว่าทำความสะอาดนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะการใช้ make นะคะเมื่อไรเราจะใช้ make ได้บ้างนะคะเราก็จะใช้นะคะในกรณีที่เป็นการผลิตค่ะหรือว่าเราจะสร้างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยขึ้นมาใหม่นะคะรวมถึงเนี่ยอาจจะหมายถึงวัตถุดิบที่ใชในการสร้างบางอย่างนะคะก็ใช้ make ได้ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะของการใช้ His ะะ His wedding ring is made of gold. ะะ、His、wedding ring is made made gold gold of of ปいบบ ในรูปแบบของการถูกกระทำนะคะก็จะเป็น Passive Voice นะคะเราจะใช้กริยาช่องที่สามค่ะ verb to be นะคะตามด้วยกริยาช่องสามคือถูกกระทำนะคะ Ring is made นะคะแหวนเนี่ยทำด้วยนะคะทำมาจากออฟกูนะคะทำมาจากทองกันเองค่ะค่ะประโยคตัวอย่างต่อมานะคะ Why is made from grapes หนึ่งครั้งนะคะ Why is made from grapes นะคะ ไว้ Why, เนี่ยทำมาจากองังวนค่ะค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ the watches were made in Switzerland the watches were made in Switzerland ประโยคนี้แปลาว่านาฬิกาเรือนที่กล่าวถึงเนี่ยทำในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะทั้งสามตัวอย่างประโยคนี้นะคะที่พ่อเอายกตัวอย่างไปก็จะเป็น เรื่องของการใช้ make นะคะที่เป็นแง่ของการผลิตหรือว่าสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานั่นเองค่ะค่ะการใช้ make นะคะบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยก็อาจจะใช้เพื่อบอกถึงการกระทำหรือผลของการกระทำได้นะคะการใช้ make นะคะเราตองมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ you make me happy you make me happy นะคะคุณเนี่ยทำให้ฉันมีความสุขค่ะ อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ it's not my fault นะคะ it's not my fault มันไม่ใช่ความผิดของฉันนะ my brother made me do it my brother made me do it นะคะก็คืออ้างเหตุผลนิดหนึงนะคะว่าพี่ชายของฉันเนี่ยเป็นคนบอกให้ฉันทำนะค่ะ make นะคะนอกจากจะนัอ้นนะคะเราจะใช้กับคำนามเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะคะกับการวางแผนหรือการวางแผนนะคะหรือการตัดสินใจได้คะ่ะ อย่างเช่นเราจะใช้ verb make นะคะกับการนัดหมายนะคะอย่างเช่น make an appointment make an appointment ก็คือแปลว่านัดหมายค่ะค่ะหรือจะใช้ make a choice ก็ได้ค่ะ make a choice ที่แปลาว่าเลือกนั่นเองค่ะค่ะหรือการใช้คำนามที่เกี่ยวกับการพูดหรือเสียงเฉพาะได้นะคะเราใช้ make คู่กับคำนามเหล่านี้ได้ค่ะค่ะเช่นนะคะ make a comment นะคะ make a comment แปลาว่าให้ความคิดเห็นค่ะค่ะ อย่างเช่น make a noise make a noise ก็คือการทำเสียงดังค่ะ make a speech นะคะ make a speech แปลว่ากล่าวสุนทรพจน์ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องข อ, ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.engu.co.th ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังนะคะพักฟังเพลงเพื่อพอดต่อช่องสถานีแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ติดตามฟังกันใหได้เลยนะคะ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 Come a ray could do me. Real me, you won around the panma, come rack a coma, may you may ya some ora, no power would say shun ban. Han by suck, pack, ping men, come rack the two shun ban, kai kai kaklan, that thing on, non fundy, would say bang ban, loud yang.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 おなみ、ね、なみなみなみな シャウトでムヨングライゴーコングルンサイトムントンナンビタンジョンナイヤークトウランハイコンブラーセイトンナイブコントントークレタインシャンシュクワンコンドーライオンマイルー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 ペンソーダー。 どんどんどんど マイ・ルー・タン・ガイ・タン・ニン・ライ・ペン・コン・ニン・ライ・タン・ア・ライ・グ・ドゥ・ミ・ディ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 เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการใช้ make กันต่อนะคะการใช้ make นะคะกับอาหารและเครื่องดื่มนะคะเราสามารถใช้ verb make นะคะได้ด้วยค่ะค่ะเพราะว่า make นะคะสามารถทำในเรื่องของเรื่องของการผลิตนะคะการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันเปลี่ยนรูปไปก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะคะถ้าเราจะพูดว่าทำขนมเค้กนะคะก็จะใช้ว่า make a cake นะคะ I will make a cake ก็คือฉันเนี่ยจะทำขนมเค้กนั่นเองค่ะเราจะไม่พูดว่า I will do a cake ในประโยคหรือว่าบริบทนี้นั่นเองค่ะค่ะ make น, นะคะที่ใช้กับอาหารและเครื่องดื่มนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าเราจะเตรียมชานะคะทำชานะคะเราจะใช้ Make a cup of tea, make a cup of tea นะคะก็คือเราจะเตรียมชาค่ะจะชงชาค่ะ Make a cup of coffee ก็เช่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือชงกาแฟานั่นเองค่ะหรือ Make dinner, make dinner ก็คือทำหรือตเตรียมอาหารเย็นค่ะค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างกริยา do กับกริยา make กันดีกว่าค่ะว่าจะมีการใช้หรือว่าคำแตกต่างกันอย่างไรนะคะ ค่ะเรายกตัวอย่างนะคะ You have to make a cake for Simon. You have to make a cake for Simon. ควนุณควรทำขนมเค้กให้ไซมอนนะค่ะและเราอาจจะตอบไปก็ได้นะคะว่าเดี๋ยวฉันจะทำมันทีหลังนะก็คือเลี่ยงๆไปก่อนนะคะว่า I will do it later. I will do it later. ตรงนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าฉันจะทำมันทีหลังนั่นเองค่ะเราจะไม่ใช้ I will make it later. นะคะเพราะว่าอย่างที่เรากล่าวไว้แล้วนะคะดูเนี่ยจะใช้กับความหมายที่ชัดเป็นความหมายที่ชัดเจนนะคะและเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะการพูดว่าไอวิวเมกอินเลสเชอร์เพราะว่ามันจะดูซ้ำซากนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะนำหลักการการใช้ดูและเมกนะคะนำไปใช้ได้นะคะ สำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้คำว่า like นะคะ、L I K e, like กับคำว่า prefer นะคะ prefer p r e f e r นะคะสองคำนี้นะคะมีการใช้แล้วก็ความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูหลักการนะคะแล้วก็ตัวอย่างประโยคกันดูค่ะ เดี๋ยวเรามายกตัวอย่างนะคะประโยคนะคะง่ายๆก่อนนะคะสมมติว่าชอบดื่มกาแฟนะคะเราก็จะพูดได้ว่า I like to drink coffee นะคะ I like to drink coffee เนี่ยฟังดูง่ายๆใช่ไหมคะแล้วสมมติว่านะคะมันมีทั้งกาแฟและชาเนี่ยเราก็จะพูดว่า I prefer to drink coffee to tea นะคะความหมายก็คือฉันเนี่ยชอบดื่มกาแฟมากกว่าชา นะคะค่ะคุณผู้ฟังก็พอจะเดาตัวอย่างที่คุณชนกนาถกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ได้นะคะว่า like กับ prefer เนี่ยมันจะมีการใช้ที่แตกต่างกันอยู่ค่ะสำหรับความแตกต่างนะคะอยู่ตรงที่ like หมายถึงชอบค่ะแต่ prefer หมายถึงชอบมากกว่านั่นเองค่ะซึ่งคำว่า prefer เนี่ย เราจะต้องมีของสองสิ่งให้เลือกนะคะว่าชอบอย่างไหนมากกว่ากันค่ะโดยให้สังเกตว่าเราเนี่ยจะใช่ two นะคะ to หลังคำว่า prefer นะคะเราจะไม่ใช้คำว่า dan ค่ะค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะ we prefer going by ferry to flying หนึ่งครั้งนะคะ we prefer going by ferry to flying サンヤ、そっとしたら、フェリーで、マークは、ハンカンビン。と、やんた、マネカ、シープフェース、ボクト、マガセンス。シープフェース、ボクト、マガセンス。プレヨン、ニープラワー、シャンショー、マークは、ニテヤサンカー。か、プレヨン、マネカー、whenever I have time, I like to read, but I prefer not to read in the evening. อีกหนึ่งครั้งนะคะ Whenever I have time I like to read but I prefer not to read in the evening เมื่อใดก็ตามนะที่มีเวลาเนี่ยฉันเนี่ยก็มักที่จะอ่านหนังสือแต่ฉันเนี่ยก็เลือกที่จะไม่อ่านในช่วงเย็นค่ะสำหรับข้อควรจำนะคะเราสามารถใช้ทั้ง to นะคะตามด้วย infinitive verb นะคะก็คือกริยาที่ไม่พันนะคะ หรือจะใช้ ing ก็ได้ค่ะดังตัวอย่างนะคะ I prefer to drink coffee to tea I prefer to drink coffee to tea อันนี้ก็คือฉันเนี่ยชอบที่จะดื่มกาแฟมากกว่าช้านะคะหรือเราจะพูดว่า I prefer drinking coffee to tea I prefer drinking coffee to tea ก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าสามารถใช้แทนกันได้คะและให้ความหมายเช่นเดียวกันนะคะ I prefer to drink นะคะกับ I prefer drinking ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะจะต่างกันก็เพียงแต่ว่าตรง to นะคะตามด้วย infinitive หรือ verb ช่องที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากกว่าเท่านั้นเองค่ะ ที่สำคัญนะคะเราใช้ to infinitive นะคะตามหลัง prefer นะคะไม่ใช้ใช้ infinitive เฉยๆค่ะโดยไม่มี to นะคะเช่นนะคะ I prefer to drive นะคะก็คือฉันชอบขับรถมากกว่านะคะแต่เราไม่ใช้ใช่ว่า I prefer drive เองเนี้ยนะคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมี to infinitive ค่ะ และเรื่องสุดท้ายนะคะที่เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นคำสั่บหน้ารู้นะคะเมื่อต้องบอกทางคนต่างชาติค่ะค่ะถ้าเราจะบอกทางคนต่างชาตินะคะเราจะใช้ประโยคว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกกันนะคะ how do I get to นะคะฉันจับไปนะคะจุดจะจุดได้อย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะ how do I get to future park รังสิต How do I get to Future Park ลัองสิทธ์ก็คือฉันเนี่ยจะไปฟิวเจอร์ได้อย่างไรเงี้ยนะคะค่ะถ้าเราต้องการบอกว่าเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะเราก็ใช้สำนวนว่า go straight on go straight on นั่นเองค่ะค่ะบอกให้เขากลับหลังนะคะหันกลับหลังนะคะ turn back หรือ go back นะคะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะก็จะเป็น turn left นะคะ or turn right เนี่ยเองค่ะ right ตัว R นะคะ ค่ะ go along นะคะ go นะคะเว้นวรรค along นะคะ a l o n g นะคะ along go along แปลว่าเดินไปตามค่ะค่ะถ้าต้องการบอกให้เขาข้ามนะคะข้ามไปเราก็จะใช้คำว่า cross นั่นเองค่ะ cross ค่ะคำต่อมานะคะ คะมันอยู่ทางด้านซ้ายนะคะหรืออยู่ทางด้านขวาเนะะี่ยค่ะเราก็จะใช้ประโยคนะคะบอกทางว่า it's on the left นะคะก็คือมันอยู่ทางด้านซ้ายน ะ, ะ or it's on the right นะคะ it's on the right ก็คือมันอยู่ทางด้านขวาะ ค, ะค่ะค่ะถ้าเราต้องการบอกว่าเดินไปตามถนนแรกนะคะด้านขวาค่ะเดินไปตามถนนแรกด้านขวาก็จะเป็น take the first road on the right นะคะ take the first road on the right แต่ถ้าเกิดเราต้องการบอกนะคะว่าเดินไปตามถนนที่สองทางด้านซ้ายค่ะเดินไปตามถนนที่สองทางด้านซ้ายก็จะเป็น take the second road on the left นะคะ take the second road on the left นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะตรงกันข้ามนะคะก็จะใช้ออปปอสิตออปปสิตค่ะอีกฝั่งของถนนนะคะหรือว่าฝั่งตรงข้ามนะคะเราจะใช้ว่า On the other side of the road. On the other side of the road. คะหรือบอกอยู่ ใ, ใ, นนะะ near, ะะใกล้ๆ m b e d near. I h a v ก climbed up a lion, said near the hospital. Near the hospital, good guy cup, low by a bank. Ha, that I you'd have done, I haggled, I have one next t o u e named h e next to the market. อยู่ h ัดจากตลาดนั่นเอง n t ha. h ะ you're a wang, I have between, I h a v between. แต่ถ้าบอกว่าสุดทางนะคะสุดทางของก็จะเป็น at the end of นั่นเองค่ะค่ะอยู่ตรงหัวมุมนะคะเราก็จะพูดว่า around the corner around the corner อยู่ด้านหลังจะใช้คำว่า behind นั่นเองค่ะค่ะไฟจราจร น, นะคะอยู่ตรงไฟจราจร traffic light traffic light เรืซ่องใช้ที่เรามาฝากท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยก็เอาไปใช้ได้นะคะเวลาเชาวต่างชาติเนี่ยนะคะมาถามทางเรานะคะเราก็จะได้บอกทางเขาได้นะคะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.inglu.co.th ค่ะค่ะ วันนี้นะคะรายการของเราค่ะก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการ English Around You ได้ใหม่ในวันพุทธหน้าช่วงละตี4ยังตี4ครึ่งทางสถานีวิทยุกระใจเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฮัญญาบุรี